มันก็หม้อเนี่ยจะต้องเป็นหม้อเช่นหม้อใส่น้ําชําระหม้อในห้องน้ําเป็นต้นเนี่ยนะพระเทระเหล่านั้นถือเอาหม้อน้ําอย่างหนึ่งมีหม้อน้ําดื่มเป็นต้นไปสะบกขรณีล้างภายในล้างภายนอกกรองน้ําใส่แล้วก็วางไว้ริมฝั่งแม่น้ําพิโุรูปอื่นมาเรียกพิโสรูปอื่นมาด้วยวิการแห่งมือแปลว่ากวักมือจะไม่เปล่งเสียงเจาะจงหรือไม่เจาะจงจะไม่เรียกถามว่าทําไมจึงไม่เรียก ถ้าเรียกจะรบกวนภิกษุรูปอื่นถ้าเรียกอีกองคหนึ่งและอีกองคหนึ่งละ่ะงั้นองค์ไหนเห็นก็กวักมือก็รู้กันแล้วเนี่ยจะไม่พยายามรบกวนรูปมรรงานที่มันทําได้สองคนก็ทำสองคนกับองค์ไหนก็ได้เนี่ยนะกับองค์ไหนก็ได้องค์ไหนที่เหมาะสมที่สุดที่ตอนนั้นท่านสะดวกที่จะช่วยเหลือกันเนี่ยนะแต่คนที่สามัคคีกันเข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะก็เคยพบเห็นนะท่านก็มีความสุขกันอย่างแท้จริง แล้วก็จะไม่ไม่ส่งเสียงจะไม่รบกวนเนี่ยนะเพราะนันงานที่ทำสองคนจะไม่เรียกคนที่สามเข้ามาเลยเนี่ยนะมันก็ทั้งสองสองคนนั้นก็จะช่วยกันเช่นวิธียกหม้อน้ำก็เอามือประสานกันลุกขึ้นาวางเอาหม้อน้ำเนี่ยนะแล้วทั้งสามรูปนี้เนี่ยทุกวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าหรือวันแปดค่าอันนี้ถือว่าเป็นวันฟังธรรมตามปกติ แต่ถ้าโดยปกติจะสนทนาการทุกห้าวันสนทนากันทั้งคืนนะคุยอะไรกันทั้งคืนน่ะเนาะก็บอกว่าทั้งสมรูปถามและตอบปัญหาแก่กันและกันคือองค์ไหนถามก็ได้องค์ไหนตอบก็ได้เก่งเท่ากันหมดเพราะอะไรเพราะพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะแล้ทุกคนก็ทรงพระไตริฎกกันหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันอาจจะสนวันนี้วินัยปิฎกพรุ่งอนะอีกห้าวันสนทนาพระสุตตันตปิฎกอย่างนัอีกอีกห้าวันก็สนทนาพิธรมปิฎกเนี่ย จะได้น่าจะเกิดทันนะนั่นเองก็ทุกห้าวันอ่านพระไตรปิฎกให้จบเป็นขึ้นเล่มๆก็แล้วกันเนี่ยนะห้าวันเล่มห้าวันเล่มไหวไหมน่าจะไหวนะน่าจะไหวปัญหาว่าเคยคิดจะอ่านหรือเปล่ามันปัญหามันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะจริงมันอ่านได้แล้วนะที่จริง้หนังสือพิมพ์ห้าวันเนี้เรามาตัดเข้าเล่มนะมันอาจจะเท่าพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งก็ได้เล่มฉบับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะถ้ามาตัดเข้าเล่มเนี่ยนะอุ้ยอ่านทุกทุกละเอียดละอเหลือเกินวิเคราะห์ทุกคอลัมน์เนี่ยนะก็ต้อง อันนี้แต่ถ้าเมื่อไรเนะจะสนใจคอลัมน์ของพระอรหันต์บ้างะนะเออเนี่ยจูละโคสิงค่าสาระสูตรทนว่ายังไงเนี่ยนะจะอย่างนี้คอลัมน์เหล่านี้เออน่าสนใจเนี่ยนะแต่ก็ของใครก็ของใครนะเห็นไปว่าเขามากเลยเนี่ยนะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่ไหมว่านว่าไปตั้งเยอะแ่ละที่นี้พระพุทธเจ้าพอฟังคำของพระนรุท ธ, ธะ เป็นต้นกล่าวเล่าให้พระองค์ฟังว่าอยู่ด้วยความสามัคคีอย่างนี้แหลพระองค์บอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุรุตธะเนี่ยนะคือถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงถามประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องตั้งกะเชา้าไปบินทบาทกลับจากบินทบาทเรื่องโรงชานเรื่องช่วยเหลือกันเนี่ยนะ ช, ชีวิตประจาวันเนี่ยใช้กันอย่างไรก็เพราะว่าปกติชีวิตประจวันธรรมดานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยนะ ชีวิตปกติเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเช่นก่อนอาหารเนี่ยโอ้โเพ้อเจอเนี่ยนะเพ้อเจอกันตอนไหนบง่งก่อนอาหารบางหลังอาหารลลากลางอาหารบางหลังจากอาหารบางบางทีก็เพ้อเจอกันตอนอาบน้ำํำบางตอนคือมันมีเวลาให้เพ้อเจอให้ประมาทได้ทุกเวลานั่นแหละเหมือนนมันก็มาดูว่าชีวิตของผู้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นไปอย่างนี้จริ ง, งท่านจึงไม่เรื่องมาก บางทีเนี่ยมันเรื่องมากเนะี่ก่อนเข้าบินทบาทก่อนบินทบาทก็เรื่องมากกลับมาจากบินทบาทก็เรื่องมากตั้งอาหารบนโต๊ะกว่าจะชันได้ก็เรื่องมากระหว่างชันก็มีเรื่องอีกชันเสร็จแล้วก็มีปัญหาอีกเนี่ยนะแต่ก็ถ้าใครผ่านวัดมาหลายๆวัดจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนะนี่ยนะมันพระทั้งสามรูปท่านอยู่อย่างภาสุกอยู่อย่างสบายท่านไม่ประมาทในฐานะที่พระพิสุเหล่าอื่นอยู่ด้วยความประมาท นี้พระองค์ก็บอกก็ถามถึงคุณธรรมชั้นสูงต่อไปในหน้าสามร้อหน้าสี่ข้อสาม้อยหสิบห้าบอกว่าสาธุสาธุอนุรุท ธ, ธะก็เมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่อย่างนี้คุณวิเศษคือยาณทัศนะอันสา ม, มารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วมีอยู่หรือ อันนี้เป็นคำามว่ามีคุณธรรมอะไรที่ยิ่งกว่ากุศลกรรมมบทนี่มีไหม คือว่าวคุณธรรมของมนุษย์ทั่วไปมนุษยธรรมคือกุศลกรร ม, มบดใช่ไหมเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักท ร, รัพย์ประพฤติผิดในการเว้นจากเพศกครำรอ่ อ, สอเสียดยุแยงเว้นจากคําหยาเพอร์เจอเว้นจากอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคุณธรรมที่กล่าวไปเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมแล้วมีคุณธรรมอย่างอื่นที่ยิ่งกว่ามนุษยธรรมเหล่านี้อาณที่เป็นเครื่องอยู่อย่างสบายเนี่ยที่พวกเธอเข้าถึงมีไหม พระอนุรรก็บอกว่าเพราะเหตุอะไรแล้วจะไม่เพิ่งมีพระพุทธเจ้าข้าบอกทำไมจะไม่มีเอ น, นนะนะขอประทานพระวรกาศพวกอข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าข้าพระองค์สงัดจากกรรมสงัดจากอคุศรลธรรมเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ คุณวิเศษคือยานทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี่แหลพวกข้าพระองค์ได้เข้าถึงแล้วพาณิชรุท ธ, ธะตอบเผื่ออีกสององค์เลยนะพวกข้าพระองค์ได้เข้าถึงแล้วคือเข้าถึงปฐมฌานที่เป็นอยู่อย่างสบายในปัจจุบันเนี่ยนะ พระ อ, องค์ก็อนุโมทนาวสาทุสาธุอนุรุธะก็คุณวิเศษคือญ า, าณทัศนะอันสามารถกระทาความเป็นอริยอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สาราญที่พวกเธอเข้าถึงเพื่อก้าวล่วงเพื่อระงับแห่งปฐมฌานอันเป็นเครื่องอยู่นี้เนี่ยนะเธอยังมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมที่ดับปฐมฌานได้ เป็นคําถามที่ที่ถามสูงขึ้นไปกว่าเขาแล้วใช่ไหมบอกว่าแล้วมีคุณพิเศษยิ่งกว่ามนุษยธรรมไหมบอกมีคือปฐมฌ า, านแล้วมีอะไรที่มันดับปฐมฌ า, านอีกไหมก็บอกว่าเพราะเหตุอะไรเล่าจะไม่พึงมีบอกมีพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์เข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อก้าวล่วงเพื่อระ ง, งับแห่งธรรมคือปฐมฌานอันนี้อย่างอื่นเนี่ยนะก็คือเพราะว่าปัททะยฌานนี่ดับอะไรดับวิตกวิจารเนี่ยดับวิตกวิจารใน ปฐมฌานโดยสิ้นเชิงน่นะก็ประนีตสงบอนาพันทุติยะฌานนี่ชื่อว่าเก้าล่วงปฐมฌานข้ามพ้นปฐมฌานไปแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุสาธุอนุรุธะก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถกระทำความเป็นอริยะ อันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สําราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วซึ่งเป็นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระ ง, งับแห่งธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อันนี้เนี่ยนะอย่างอื่นมีอีกหรือมีอีกไหมที่ยิ่งกว่าธุริยาชานนะนะเพราะเหตุไรเราจะไม่พึงมีพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไป เข้าถึงตัติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอันนี้คือคุณวิเศษที่เป็นญาณทัศนะสามารถกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าทำของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเพื่อก้าวล่วงเพื่อระ ง, งับแห่งทำเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นเนีย่ยนะพระองค์บอกว่าสาธุสาธุอนุรุธะแล้วมีอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าตติยฌานอีกไหม ก็บอกเพราะาเหตุไรจะไม่พึงนี้พวกข้าพระองค์เนี่ยนะเพียงหวังอยู่ว่าข้าพระองค์เข้าถึงเข้าถึงจตุตธาชานไม่มีทุกขไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อันนี้คือคุณวิเศษที่ยิ่งไปกว่ายิ่งไปกว่าคุณวิเศษอันก่อนคือตติยะชานพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยนะก็บอกว่า ถ้าเพราะเหตุไรจะไม่เพีงมีเล่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งรูปปัสสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะไม่ใส่ใจซึ่งปฏิฆาสัญญาพวกข้าพระองค์เข้าอากาสานันจายตนะชานด้วยพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดมิได้ดังนี้อันนี้คือคุณวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกสาธุสาธุแล้วมียิ่งยิ่งกว่านี้อีกไหมบอกว่า มีพระเจ้าขา่าข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งอากาสารนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงข้าพระองค์เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ดังนี้อยู่อันนี้ได้แก่คุณวิเศษที่ยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอากาสารนัญจายตนะฌานพระองค์ก็อนุโมทนาภาษาทุสาธุอนุรุธะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีพระเจ้าข่าว่า้น พวกข้าพระองค์เนี่ยเพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณนันจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานด้วยพิจารณาว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนาทิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอันนี้ชื่อว่าเป็นคุณวิเศษคือญานัทธสนะที่สามารถกระทําความเป็นอริยะที่ยิ่งกว่าวิญญาณนันจายตนะอีกพรองข้าอนุโมทนาภาษาทุสาธุเนี่ยนะแล้วยังมีอีกไหม อนุรุธาก็บอกว่ามีพระเจ้าข้าเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญาญาตนะโดยประการทั้งปวงพวกอข้าพระองค์เข้าถึงเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะฌานอยู่อันนี้ถือว่าเป็นคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าอากินจัญญาญาตนะพระองค์ก็บอกว่าสาธุสาธุอนุรุธาก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันกระทําความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สําราญที่พวกเธอได้เข้าถึงแล้วเพื่อก้าวล่วงเพื่อความระงับ ทำเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นยังมีอีกไหมอ่นะเขาบอกว่ามีพระเจ้าข่าเพราะพวกข้าพระองค์เพียงหวังอยู่ว่าเพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายาตนะโดยประการทั้งปวงพวกข้าพระองค์เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธคือเข้านิโรสมาบัติเพราะเห็นอริยสัจด้วยอริยมัคคปัญญาอาสวะทั้งสี่ของ ผู้นั้นย่อมหมดสิ้นไปอันนี้เป็นคุ ณ, ณวิเศษยานทัศนะกระทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นเพื่อก้าวล่วงเพื่อระ ง, งับแผงธรรมเครื่องอยู่อันนี้ได้เข้าถึงแล้วพระพุทธเจ้าค่าอันหนึง่งพวกข้าพระองค์ยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเครื่องอยู่สารานอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประนีตกว่าธรรมเครื่องอยู่สำราญอันนี้คือท่านบอกว่า ไม่เห็นอะไรที่จะสงบประณีตยิ่งกว่าการเข้านิโรธสมาบัติอีกแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะประนีตยิ่งกว่านี้อีกพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุสาธุอนุรุธะทำเครื่องอยู่สําราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าประนีตกว่าทำเครื่องอยู่สําราญคือนิโรธสมาบัติอันนี้หามไม่มพระองค์ก็ยอมรับ น, นะว่าใช่เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ในแสดงพระองค์สอบถามถึงอนุปุาพวิหารสมาบัติก้าวทเครื่องอยู่ตามลําดับเก้าประการ เนี way, ango, 9, 9, ango, ่ยนะคืว่าเข้าปฐมฌานอะเข้าทุติยะฌานเก้าล่วงอ่าเ้าล่วงทุปฐมฌานด้วยทุติยะฌานเก้าล่วงทุติยะฌานด้วยตติยะฌาน9้าล่วงจตุอ่ตติยะฌานด้วยจตุตรฌานเ้าล่วงจตุตรฌานด้วยอากาสานัญญาตนะ9้าล่วงอากาสานัญญาตนะด้วยวิญญาณัญญาตนะ9้าล่วงวิญญาณัญญาตนะด้วยอากินจัญญายตนะเก้าล่วงอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญาเก้าล่วงเนวสัญญาด้วย สัญญาเวทายตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัตินั่นเองมันคนที่จะเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธหรือที่เรียกว่านิโรธสมาบัตินั้นจะต้องชำนาญในสมถะพละและวิปั ส, สนาพละเนี่ยนะมันเข้าฌานทุกฌานเนี่ยแล้วเจริญอนุปั ส, สนาทั้งเจ็ดประการอย่างชำนาญคล่องแคล่วจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้คู่ที่เข้าฌานณพละมากจากพวกนี้จะเข้าฌานสมาบัติ คือผู้ที่น้อมสมาธิมากพวกนี้จะเข้าฌานสมาบัติผู้ที่น้อมอนุปัสนามากพวกนี้จะเข้าพระสมาบัติเข้าฌานสมาบัติคือพวกนี้สมสมาธิพระถ้าเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นวิปัสนาพระผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ต้องมีทั้งสมาธิพระ لة, เล่ วิปัสนาภละเนี่ยกลังสมถะกาลังวิปัสสนานั้นมีกำลังเรือแรงมากเลยจึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้มันนิโรธสมาบัตินั้นเป็นธรรมเครื่องอยู่สำราญที่ประนีตสูงที่สุดเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็อนุโมทนาวาสาธุสาวุสา ธ, สาธุคือคำถามสุดท้ายเนี่ยที่ที่พระพุทธเจ้าถามมามีอะไรที่ยิ่งกว่าเนวะสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะไอ้คำถามอันนี้เนี่ยเป็นการถามถึง นิโรธสมาบัติที่ได้บรรลุด้วยโลกุตระญานทัศนะเป็นเป็นความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการเสวยคือคือปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจถึงความสุขที่ต้องเสวยผัสสะและเวทนาแต่นี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีผัสสะและเวทนานั้นก็คือนิโรธสมาบัติผันคนที่จะแทงตลอดแทงตลอดนิโรธสมาบัติเหล่านี้ได้เนี่ยนะถ้า ถอยหลังก่อนหน้านั้นมาคนที่จะได้นิโรธสมาบัติเนี่ยจะต้องได้ทั้งสมถะพระแล ะ, ะวิปัสนาพระต้องแทงตลอดอริยสัจแล้วก่อนที่จะแทงตลอดอริยสัจมาจากไหนเบื้องต้นเลยจริงอะมาจากไหนความสามัคคีเนี่ยนะความสามาคัคคีความมีเมตตาต่อกันนี่แหละเป็นฐานรองรับคุณธรรมชั้นสูงทั้งหมด น, นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วคุณธรรมที่พระ อนุรุธะเป็นต้นกล่าวรายงานพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านั้นเกิดจากความสามัคคีรถทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยผลผลิตเกิดจากความสามัคคีหรือเกิดจากการทะเลาะกันนะอาวุธเท่านั้นแหละที่เกิดจากความทะเลาะกันการพัฒนาอาวุธของในโลกนี้เนี่ยนะเกิดจากการทะเลาะกันเครื่องมือการฆ่าทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการทะเลาะกันอย่างนิวเคลียร์เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากสงครามเนี่ยก็เมื่อมีการทะเลาะกันก็เริ่ม เตรียมการสร้างอาวุธเครื่องมือประหัตประหารเครื่องมือการทําชั่วอันเนี้ยเกิดจากการทะเลาะกันแต่เครื่องมือแห่งคนงามความดีเนี่ยนะเกิดจากความสามัคคีจิตกรรมฝาผนังอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกพวกที่เป็นความสงบร่มเย็นทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความสามัคคีเนี่ยนะอย่างพวกเจดีเป็นต้นเนี่ยนะพระบรมธาตุเรื่องพระพุทธศาสนาก็เกิดจากความสงบร่มเย็นและเกิดจากความ สมักสมานสามัคคีคุณธรรมอริยธรรมทั้งหลายศีลสมถาวิปั ส, สนาเป็นต้นเกิดจากความสามัคคีแม้แต่ฟังธรรมก็เหมือนกันก็เกิดจากความสามัคคีถ้าไม่สามัคคีเรายากที่จะได้ฟังธรรมเพราะคนแสดงก็ไม่มีกระจิตกระใจจะแสดงคนฟังก็ไม่มีกระใจจะฟังเหมือนกันเนี่ยนะภาษาชาวบ้านเขาไม่มีอารมณ์แสดงก็ไม่มีอารมณ์ฟังมันก็เลยพอดีกันเตะเลยเนะี่ยก็ไม่มีอารมณ์ที่จะประชุมเนี่ยนะไอคนจัดก็บอกไม่มีอารมณ์จัดอีกเหมือนกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะ มันไม่มีความสามาคัคคีกันเนี่ยนะมันกอนคล้ายว่าเคยไปนั่งต้นไม้ที่มีมดแดงเยอะๆไหมโอ้ยมันกับไปที่ไหนที่ยุงบินกวนหูแล้วเกินยงไงๆโอ้ยน่ารำคาญเป็นต้นเนี่ยนะ